ท่านสาธุชน 24 ธันวาคม 2533 แล้วก็สําหรับเรื่อง อาการก็ป่วยมากสํานาการป่วยแต่ทว่ามีเหตุ สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่เป็นไรวันพรุ่ง ก็เป็นเครื่องบ่าวใจพอนุชคืนคงดีโทรศัพท์ไป หลังจากทุ่มเสร็จไทยวจาระพร้อมกับปัสสาวะแล้วแล้วก็ไปซื้อมาให้ตอนนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวรําคาญ การทุดงคราวนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทขอพูดเป็นจุดสุดท้ายปีหลังสุดความจริงไม่ใช่สุดทุดงปีหลังสุดคือเป็น หลังจากปีที่ 3 แล้วก็ไปซ้ําๆแล้วซ้ําอีกไปโน่น ขณะที่เรียนนักธรรมเอกตอนนั้นท่านบอกว่าครูบอกว่าจะ แล้วสุเหร่มนั้นเป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานดีมากคนนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทคุณจะแปลกใจว่าทําไมพระปานจึงจะบอกอย่างนั้นก็ขอแจ้งให้ทราบว่าหลวงพ่อปานนี่คู่กับอาจารย์เกี้ยวอาจารย์ <c oughs> สำหรับนี่มีๆแปลจริงๆแปลทั้งอภิธรรมแปลจบอภิธรรมอาจารย์เกี้ยวมีความชํานาญในอภิธรรมมากคือสนใจวิอภิธรรมมากสามารถตั้งวิเคราะห์ได้ จึงไปซื้อวิสุทธิมรรคที่เจ้าคุณพร้อมชื่อ ทุกคนต้องมีบุญบารมีบารมีมาก่อนก็มัก ตั้งใจสมาทานกรรมฐานด้วย 40 กองนี้มีกองใดบ้างที่เคยได้มาใน ถ้าต่อมาเมื่อชอบหลายๆกองแล้วก็กลับมาทีหลังก็ สำหรับกรรมฐาน 37 37 กอง 3 กองคือ 3 แต่ต่อมาก็ เพียงใช้เตโชกสิณเป็นพื้นฐานมา จุดหมายปลายทางคือต้องการจิตเป็นสมาธิสามารถชนะนิพพานได้แต่ว่าจะชนะมากชนะน้อยชนะนานหรือไม่นานนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นนามว่าเจริญเตโชกสิณเดิมพระปาณท่านก็แนะนํา ให้จับนิมิต 7 วันทํา 7 วันถึงฌาน 4 ไอ้นี่ไม่ใช่ ไม่เชื่อสัตวะเรียนสัตวะอ่านแล้วก็ไปไปมาไม่เชื่อองค์สมเด็จ กระจาดและตัผีที่ตักแดงกระจาดก็ดีตัผีก็ดีเค้าฝังอยู่ในหม้อแกงเค้าฝังอยู่ในข้าวเค้า แล้วก็มีส่วนใหญ่มีมากเหมือนกันที่กลายเป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกเคยมีท่าน ยังได้ธรรมกรรมฐานควบคู่กันไปในเมื่อ ก็เหลืออายกินจัญยาเจตนะวิญญาณัญจายเจตนะในสัญญาณาสัญญาเยตนะอันนี้ก็เป็นของไม่หนักเพราะ ออกทุรดงกันก็ไปกันตามบทไปถึงโน่นจังหวัดกำแพงเพชรพอไปถึงจังหวัดกำแพงเพชรก็ไปเจรจาหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงท่านไม่มีโกรธท่านมีย่าม 1 ลูกท่านมีภิกษุธรรมดาธรรมดามันก็อยู่วัดเมื่อ 10 ปี แต่ว่าเจริญกรรมฐานสนัก คบหาสมาคมโพจากระไส้รู้จักเทวดารู้จักกรมรู้จักนรกสวรรค์ฝึกซ้อมไว้พระภิกษุพวกนี้ยังเด็กอยู่ต่อไปถ้าไม่ไม่ทําให้ช่ําไม่ไม่เกิดความชํานาญ นี่เป็นถ้อยคําของพระปาลเพราะปานที่พูดเวลานั้นนะเวลานี้จะมีหรือไม่มีก็ไม่สาบไม่ได้สนใจใครพระจนก็เลยบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันฉันจะพาเด็ก 5 องค์ด้วย หลวงพ่อปาน 1 แล้วก็หลวงพ่อจง 1 วิธีพาไปเที่ยวของท่านท่านบอกก็แนะท่านก็แนะนําบอกว่าการเที่ยว แต่บอกก็ไม่มีความจําเป็นเมืองเก่าไม่จําเป็น ถ้าเธอจะมาก็มาเป็นปกติพระท่านโอกาสธรรมดาเวลา <c oughs> Tweeën groot, maar toch niet. Maar toch niet. Maar toch niet. Maar toch niet. Maar toch niet. Maar Maar niet. niet. Maar niet. dun ถ้าถามว่าจะใช้จะถ้าจะเดินให้เป็นธรรมงานครับท่านก็บอกว่าใช้กสิณ ก็เลยถามท่านว่าถ้าเวลานี้ ต้องนึกให้ถึงฌาน 4 คือมีภาพเป็นประกายพริกตามแบบฉบับของการปฏิบัติถ้ารุ่นหลังใครจะไม่เชื่อก็ตามใจเด็กนี่เล่าสู่กันฟังปล่อยให้ล่อนจ้อนแล้วหมดตัว หาเตียวนี้ไม่แก้ให้ดูแน่เอาแค่นี้เป็นว่าหลวงพ่อจงก็บอกว่าใช้ใช้วิธีรวบรวมก็ไม่มีอะไรมากเพราะพวกเรายังไม่เป็นท่านก็บอกว่าต้องขึ้นปฐวีกับศีลก่อนใช่มั้ยท่านบอกว่าไม่ใช่ใช้อารมณ์กับศีลนึกเฉพาะ เมื่อท่านแนะนําแบบนั้นก็ทําตามท่านทําตามแบบเห็น 2 บาทไปบอก mijn niet zo lang. Het is een beetje ton ongekende ervaring. ton is een beetje Ton ongekende ervaring. Het is een beetje een Bang ervaring. Het is een een ongekende ervaring. Het is een beetje een ongekende ervaring. Het is een beetje een ongekende een ก็พ้นจากเขตป่าเข้าจุดๆ1 จุดๆนั้นก็มีรูปร่าง และว่าที่ตรงนั้นมันเป็นทองคําทั้งหมดตั้งแต่หลังคาลงหรือว่ามีพระราชวัง ท่านท่านถามท่านบอกว่าที่จุด ยายฉันนึกว่าจะมาสุวรรณวิหารไม่ก็มาขณะที่ไปสุวรรณวิหารเนี่ยปรากฏว่าอธิบดีอินเดียแขกหลับแขก ชาวมหาสุวรรณวิหารก็มีความรู้สึกว่าคนที่สร้างสุวรรณวิหารคือวิหารทองคําต้องใช้จ่ายทรัพย์มากต้องลงทุนมากต้องลงแรงมากทรัพย์สินต่างๆได้มาจากการสีอากรของบรรดาราษฎรแต่ แต่ว่าวันเวลาที่เขาต้องมาจัดส่วนในวิหารนั้นมีอยู่แต่ก็ต้องเข้าไปอย่างมีระเบียบออกมาจะมีระเบียบให้แต่งตัวเค้าขาวนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวโผษสีขาว มาชมไปชมมาแล้วพระจงอธิบายให้ฟังว่าสุวรรณวิหารนี่น่ะคนที่สร้างนะคนสั่งให้สร้างน่ะตายไป ถ้าเราตายไปแล้วอะไรทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้ใน <c oughs> ของบรรดาประชา แล้วก็ไม่หลงหน้าอำนาจเกินไปเพราะคนทุกคน ถ้าก็ต้องมีสิ่งจ้างรางวัลมีรางวัลให้เป็นเครื่องตอบแทนความความเหน็ดเหนื่อยโครงความของ นี่ก็ ท่านถามว่าเธอต้องการอะไรอีกผมขอให้หลวงพ่อมอบความสามารถด้วยขอรับถ้าบอกว่าเอาจากท่านปานะไม่พอแล้ว 2 3 ตัวนี่ ในคาก็หา แปลว่าผมต้องการความสามารถทั้ง 2 อย่างทั้งพระโพธิสัตว์ด้วยท่านบอกได้ตกลงแต่วิธีรับกัน ตั้งใจความตามฟังคําแนะนําของ แต่การพระองค์สามารถทุกอย่างที่ที่เธอมีความต้องการถ้าไม่เกินวิสัยที่ฉัน บรรดาภิบังทั้งหลายก็เริ่มจะขยับตัวตื่นท่านบอกว่าแขกเริ่มตื่นแล้วว่าถามท่าน มันเวลามันขึ้นมันจะเจ้าของเขาแล้วก็ออกมาจูบโน่น เพราะถ้าเราไม่บ้าเราก็ไม่คิดว่าเขาบ้า แล้ใจว่าทองทั้งหลังเค้าหาไม่ได้ยังไงนี่มันก็เป็นความบ้าของคนความบ้าของความรู้สึกเค้ามาคิดตัดสินใจ พระโจงท่านหันมายิ้มบอกเออคิดอย่างนี้ถูกแล้วนี่ขนาดคิดน่ะรู้ด้วยหลังจากดูแขกบ้าอยู่พักหนึ่งแล้วก็พากันกลับเวลาเดินทางกลับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดินไปเพียงแค่ 2 3 ก้าว ตามที่คนก็พูดกันบอกว่าเค้าเรียนชั้น 1 สุขวิปัสสโก 2 เตวิโช 3 ฉละปิณโย 4 ปฏิสัมปทา ทั้ง 4 อย่างนี้ถ้าเค้าปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะยังไม่ได้มรรคผลเค้าก็จะต้องเป็นคนที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่คัดค้านพระ 42 วินาทีขอลาก่อนขอความสกสวัสดที่พัศวินิกธนะสมบุญบุญผลยงมีแดดบันดาถ้าพุทธศาคิฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี